ขอหลักฐานได้มรรคผลง่ายใกล้ตายถามคุณดังตรินเคยกล่าวไว้ในคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวว่าขณะตายเป็นจังหวะที่มีโอกาสดียิ่งในการบรรลุมรรคผลแม้ผู้บำเพ็ญเพียรวิปัสสนามาเพียงเล็กน้อยก็มีสิทธิ์เข้าถึงกันได้ อยากทราบว่าตรงนี้มีตัวอย่างยืนยันจากในคมภีหรือไม่ตอบในคมภีก็มีอยู่หลายแห่งครับขอยกเฉพาะธนัญชานิสูตรซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับพรามชื่อธนัญชานิมาเป็นแหล่งอ้างอิงเพราะเห็นว่าครอบคลุมประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการส่งคนตายไว้หลายข้อ ต้องเล่าเป็นการปูพื้นว่าพระพุทธเจ้ามีมือขวาซึ่งเป็นเลิอทางปัญญาอยู่ท่านหนึ่งนามว่าสารีบุตรสำหรับพระสารีบุตรนี้ว่ากันว่าท่านฉลาดจำแนกธรรมะอย่างที่สุดจะเป็นรองก็แต่พระพุทธเจ้าช่วยให้ครสำเร็จฌานสำเร็ จ, รจมรรคผลมานักต่อนักเพียงด้วยลีลาเทศนาธรรมอันกระจ่างชัดเฉียบแหลม ผลงานชิ้นหนึ่งของพระสารีบุตรคือกลับใจคนเห็นผิดอย่างทนัญชานิให้กลายเป็นคนเห็นถูกเห็นชอบคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ไม่ประกอบด้วยความเข้าใจอันถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยความเข้าใจอันถูกต้องได้เมื่อยอมรับเป็นครูเป็นศิษย์กันเรียบร้อยในการต่อมาทนัญชานิล้มป่วยลง และเห็นว่าตนจะไปไม่รอดแน่จึงส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรผู้เป็นพระอาจารย์มาดูใจตนซึ่งการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับทราบเนื่องจากธนัญชานนี้สั่งคนให้ทูลแจ้งข่าวอาการตรีทูตของตนแก่พระองค์ด้วยพอพระสารีบุตรรับนิมนต์เดินเท้าไปถึงบ้านคนป่วยก็ไถ่าถามถึงอาการของธนัญชาณิ ว่ายังพอทนไหวไหมเจ็บปวดเป็นทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนอย่างไรทนันชาติได้ยินพระอาจารย์ถามเช่นนั้นก็ตอบแบบหมดอะไรตายอยากว่าคงทนอีกไม่ได้นานแล้วขอรับพระคุณเจ้าน่าจะทำกาละหรือเส้นชีวิตเร็วๆนี้เองเพราะความเจ็บปวดทุกทรมานมีแต่จัตวีกำลังกล้าแข็งขึ้นทุกที ไม่เห็นวิ่แววว่าจะลดระดับลงเลยราวกับใครเอาเหล็กแหลมคมมาจี้หัวมีลมเสียดแทงหัวนอกจากนั้นที่ท้องยังเหมือนโดนคนเอามีดเชื้อมีลมเสียดแทงท้องเนื้อตัวร้อนราวกับกำลังโดนย่างในหลุมถ่านเพลิงก็ไม่ปานพระสารีบุตรเห็นทนานชานิร่อแร่ต้องไปแน่เช่นนั้น ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีไปกว่าการชวนธนัญชานิพูดคุยเรื่องภพภูมิเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นตามโดยเริ่มจากการถามว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างนรกภูมิกับเดรัชานภูมิอย่างไหนดีกว่ากันซึ่งตามความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องแล้วของธนัญชานิก็ทําให้เขาสามารถตอบพระสารีบุตรได้ว่าเดรัชานภูมิย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน เราไม่ต้องทนเร่าร้อนด้วยไฟแผดเผาของขุมนรกจากนั้นก็ไล่ลำดับสูงขึ้นมาระหว่างเดรัจฉานภูมิกับเปรตยอย่างไหนดีกว่ากันทนานชา น, นิก็ตอบว่าเปรตดีกว่าเพราะมีโอกาสสบายบ้างไม่จมอยู่กับอัตภาพคับแคบเหม็นเน่าตลอดเมื่อเทียบระหว่างเปรตกับมนุษย์ มนุษย์ดีกว่าเปรตเพราะสบายกว่าและบำเพ็ญบุญศึกษาธรรมะได้เมื่อเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาเทวดาดีกว่ามนุษย์เพราะสบายกว่าและเสพสุขอันเป็นทิพย์และสุดท้ายระหว่างเทวดากับพรหมทนัญชาญิก็ตอบได้อย่างถูกต้องว่าพรหมดีกว่าเพราะอายุยืนและมีจิตผ่องแผ้วไม่เกลือกลัวอยู่ด้วยกามาคุณ พระสารีบุตรเล็งเห็นว่าธนันชานิยังมีความปรารถนาพบภูมิและธนันชานิ้ก็มาติดอยู่ที่ความเห็นว่าพรหมเป็นพบภูมิที่ดีที่ประเสริฐที่น่าไปพระสารีบุตรจึงแสดงหนทางที่จะดําเนินจิตเพื่อให้ได้เป็นสหายของเหล่าพระพรหมคือแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแผ่ไปตลอดโลก ทั่วทุกเหล่าสัตว์ไม่เลือกหน้ากระทั่งน้ำจิตไม่คิดร้ายไม่ผูกเวรแล้วไม่นึกถึงการเบียดเบียนใดๆแล้วจูงจิตทนันชานิด้วยคาพูดอยู่พักหนึ่งกระทั่งทนันชานิรู้ว่าจะกำหนดจิตยอย่างไรให้เป็นฌานชั้นต้นพระสารีบุตรก็หลีกไป จิตอันใกล้ดับของธนาญชานิก็สงบลงบรรลุถึงฌานที่เรียกว่าอัปปมัญญาสมาบัติจากนั้นจึงขาดใจตายด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่เข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมหมดความทุกข์หมดความเจ็บปวดทางกายทิ้งซากศพไว้ในโลกนี้โดยปราศจากความใ ย, ยดีเท่ากับผีกริ้น พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าทนานชานิถึงการแตกดับจากความเป็นมนุษย์แล้วแต่แทนที่จะได้ประโยชน์ชั้นสูงกลับไปติดอยู่แค่พรหมโลกชั้นต่ำเนื่องจากไปได้ด้วยกําลังแห่งปฐมฌานซึ่งยังไม่ประณีตละเอียดเหมือนพรหมชั้นสูงกว่านั้นพระศาสดาปรารถนาจะให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเผื่อภิกษุใดมีโอกาสทรงคนตายอีก ท่านจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันและเปิดเผยว่าทนันชานิทำกาละแล้วแต่ไปติดอยู่แค่พรมภูมิชั้นต่ำในเวลาต่อมาเมื่อพระสารีบุตรกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามเป็นเชิงสอบสวนว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงประดิษฐาน ทนา น, น, นิพรา์ไว้แค่ที่พรหมโลกฉันตามเล่าในเมื่อเธอยังสามารถส่งเขาขึ้นสูงได้ยิ่งกว่านั้นพระสารีบุตรทูลต่อพระพุทธองค์ด้วยความเคารพว่าท่านมีความเห็นว่าพรามทั้งหลายต่างก็น้อมใจไปในพรหมโลกด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านเลยแสดงหนทางอันถูกต้องไปสู่ความเป็นสหายแห่งพรหม ฟังพระสารีบุตรทูลตอบเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรยืนยันรับรองว่าทนานชานิได้ไปถึงความเป็นพรหมสมความตั้งใจของพระสารีบุตรแล้วจากเรื่องบันทึกเกี่ยวกับทนานชานิพราหม์ผมมีข้อสังเกตให้พิจารณาดังนี้หนึ่งคนป่วยใกล้ตายมีทุกขเวทนาแสนสาหัส ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเขากำลังจะไปนรกหากจิตของเขากำหนดไว้ดีมีกำลังใจระลึกถึงความดีได้ก็ย่อมมีที่หมายอันดีได้และการโน้มน้าวจิตใจคนใกล้ตายก็อาจตั้งต้นกันที่การสาธยายเรื่องภพภูมิต่างๆซึ่งตรงนั้นนะครับจิตคนใกล้ตายจะสำเนีกรู้สึกถึงความจริงเกี่ยวกับภพบภูมิต่างๆ ได้ชัดเจนกว่าเราๆท่านๆที่ต่างก็สำคัญว่าตนยังคงอยู่กันอีกนานทั้งนี้เนื่องจากภาวะใกล้สิ้นสุดพบหนึ่งเป็นสัญญาณบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่าพบชาติมีและกำลังจะสิ้นสุดจากภาวะหนึ่งไปสู่ภาวะหนึ่งเพียงด้วยการชวนคุยเปรียบเทียบพบภูมิต่างๆไล่จากต่ำขึ้นไปหาสูง มีผลใหญ่หลวงกับคนใกล้ตายเกินกว่าที่คุณจะนึกถึง 2. ระหว่างมีชีวิตหากทำทุนไว้อย่างเพียงพอก็มีสิทธิ์เลือกพบภูมิได้พอดีกับทุนนั้ น, น, นๆซึ่งก็เป็นไปตามความพอใจเป็นหลักอย่างเคยมีพระราชาองค์หนึ่งระลึกได้ว่าท่านเคยเป็นเทวดาชั้นต้น แม้เมื่อท่านทำบุญใหญ่ระดับอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแถมได้เป็นอริยะบุคคลชั้นโสดาบันแล้วมีสิทธิ์เลือกไปเป็นเทวดาชั้นสูงสุดได้ท่านก็ไม่ไปจะเอาแค่เทวดาชั้นต้นด้วยความผูกพันเดิมๆสำหรับธนัญชานิพราหม์ก็ทำนองเดียวกันแม้เขานับถือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์ ถึงขนาดนิมนต์ให้มาดูใจเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่คลายจากความยินดีในวิสัยแห่งพรหมตามความเชื่อดั้งเดิมแบบพราหมณ์ความเชื่อนั่นเองเป็นทุนให้น้อมจิตด้วยความเต็มใจยิ่งยินดีแต่การแผ่เมตตาปราศจากเวรปราศจากความผูกพยาบาทกับใครในโลกก็ขึ้นไปสู่ความเป็นพรหมได้ในที่สุดตรงนี้แสดงว่า การถึงชาญเป็นไปได้ง่ายแก่คนใกล้ตายทั้งที่อาจจะไม่เคยฝึกปรือหรือมีชั่วโมงบินมาก่อนสแม้ส่งคนไปพรหมโลกได้ทางพุทธศาสนาก็ยังถือว่าไม่น่าพอใจเพราะแก่นอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาคือการหมดทุกข์หมดโศกอย่างสิ้นเชิง หลุดพ้นจากทุกภพภูมิเข้าสู่มหานิพพานอันเกินจินตนาการของใครๆและการจะเข้าถึงนิพพานได้นั้นก็ต้องบรรลุมรรคผลคือจิตต้องมีปัญญารู้ชัดเฉพาะหน้ากายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนกับทั้งต้องมีสติและสมาธิอย่างเอกอุระดับชาด้วยนั่นหมายความว่าก่อนตาย ถ้าปล่อยวางกายใจได้ปล่อยวางภพภูมิทั้งหลายเสียได้ด้วยจิตที่พร้อมจะเป็นฌานง่ายๆอยู่แล้วก็บรรลุมรรคผลกันสดๆโดยไม่ลำบากมีเรื่องคนใกล้ตายเจริญสติจนเป็นพระอรหันต์ก่อนจิตดับอยู่ไม่น้อยครับท่านไม่ทำอะไรมากแค่ไม่คำนึงถึงความกระสับกระส่ายไม่กลัวตาย ตั้งสติกำหนดดูเฉพาะทุกทางกายที่เดี๋ยวหนักบ้างเดี๋ยวเบาบ้างพอรู้ชัดว่าความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะทางธรรมชาติที่แปรปรวนเกิดได้ด้วยเหตุในที่สุดก็ต้องดับลงเป็นธรรมดาฉิตใกล้ตายก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถึงที่สุดไม่ห่วงไปข้างหลังไม่หวังไปข้างหน้า นั่นแหละจึงยกระดับเป็นพระอระหันต์ขีนาศพผู้หมดกิเลสองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้ว่าวิธีส่งคนตายไม่มีอะไรดีไปกว่าทำให้เขาสบายใจลดความห่วงความห่วงใยใดๆในโลกที่กำลังจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังยกจิตให้สูงถึงสวรรค์ แล้วจูงจิตให้เห็นว่าแม้สวรรค์กับพรหมก็ไม่เที่ยงอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปที่อื่นอีกต่างจากการไม่ยึดความมีความเป็นใดๆเลยซึ่งนั่นแหละหากความห่วงข้างหลังและความไม่หวังข้างหน้าแก่กล้าพอจิตก็เป็นอิสระถึงที่สุดได้ครับ